ลำดับนั้นนายสุนันทสารถีให้พระมหาสัตว์ขึ้นรถแล้วแม้คิดว่าเราจะขับรถตรงไปประตูทิศตะวันตกถูกเทวดาดนใจด้วยอนุภาพแห่งพระมหาสัตว์ยังรถให้กลับแล้วขับรถตรงไปประตูทิศตะวันออกครั้งนั้นล้อรถกระทบธรณีประตูพระมหาสัตว์ได้ทรงสดับเสียงนั้นทรงดําริว่า มโนรถของเราถึงที่สุดแล้วได้มีพระมนั์แช่มชื่นเป็นอย่างยิ่งรถแล่นออกจากพระนครไปถึงสถานที่สามโยศชับป่าในที่ตรงนั้นปรากฏแก่นายสารถีดุดป่าช้าผีดิบนายสารถีกำหนดว่าที่นี้ผาสุขจึงแวะรถจากทางหยุดที่ข้างทางลงจากรถเลื่องเครื่องแต่งองค์ของพระมหาสัตว์ห่อวางไว้ แล้วถือจอบลงมือขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลรถแต่นั้นพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าการนี้เป็นการพยายามของเราก็เราพยายามถึง16ปีไม่ไหวมือและเทา้ากําลังของเรายังมีอยู่หรือว่าไม่มีเนอดังนี้แล้วลุกขึ้นลูบมือขวาด้วยมือซ้ายลูบมือซ้ายด้วยมือขวา นวดพระบาททั้งสองด้วยประหัตทั้งสองเกิดดวงจิตคิดจะลงจากรถขณะนั้นแผ่นดินได้สูงขึ้นจดท้ายรถตรงที่ประดิษฐานพระบาทแห่งพระมหาสัตว์ดุดผิวฝุ่นที่เต็มด้วยลมฟุ้งขึ้นฉะนั้นพระมหาสัตว์เสด็จลงจากรถทรงดำเนินไปมาสิ้นเวลาเล็กน้อยก็ทรงทราบโดยนิยามนี้ว่า เรายังมีกำลังที่จะเดินทางไกลถึงหนึ่งรยโยต์ได้ในวันเดียวเมื่อทรงพิจารณาพระกำลังว่าหากนายสารถีปทุสร้ายเรากาลังของเราที่จะต่อสู้กับนายสารถีมีอยู่หรือหนอจึงทรงจับท้ายรถยกขึ้นประทับยืนกวัดแกงรถนั้นดุดจับยานเครื่องเล่นของพวกเด็กฉะนั้นเมื่อทรงกำหนดว่า กำลังที่จะต่อสู้กับนายสารถีของพระองค์ยังมีอยู่จึงมีพระประสงค์จะได้เครื่องประดับองค์ในขณะนั้นเองพบแห่งเท้าสักกะเทวราชได้แสดงอาการร้อนเท้าสักกะทรงอวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้นทรงดำริว่าความปรารถนาของเตมิยะกุมารถึงที่สุดแล้วบัดนี้เธอต้องการเครื่องประดับ เครื่องประดับของมนุษย์เธอจะต้องการทำไมเราจะให้เตมิยกุมารประดับองค์ด้วยเครื่องประดับทิพย์จึงตรัสเรียกพระวิสุกรรมเทพบุตรมามอบเครื่องประดับทิพย์แล้วทรงไปโดยตรัสสั่งว่าไปเถิดพ่อจงประดับเตมิยกุมารราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราชด้วยเครื่องประดับทิพย์พระวิสุกรรมเทพบุตรฟังคำเท้าสักกะ รับเทวะองค์การแล้วไปมนุษยโลกไปยังสำนักพระมหาศัตว์โคประเสียรพระมหาสัตว์ด้วยผ้าทิพมื่นรอบประดับพระมหาสัตว์ให้เป็นเหมือนเท้าสักกะด้วยเครื่องประดับทั้งเป็นของทิพและของมนุษย์แล้วกลับไปที่อยู่ของตนพระมหาสัตว์เสด็จไปยังที่ขุดหลุมของนายสารถีด้วยการเยื่องกลายของเท้าสักกะเทวราช ประทับยืนที่ริมหลุมเมื่อจะตรัสถามนายสารถีนั้นได้ตรัสคาถาที่สามว่าแน่นายสารถีท่านจะรีบขุดหลุมไปทำไมเราถามท่านแล้วท่านจงบอกแกเราเถิดเพื่อนท่านจะใช้หลุมทำประโยชน์อะไรบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าหลุมกาสุงได้แก่หลุมสี่เหลี่ยมนายสารถีได้ฟังดังนั้น ขุดหลุมมีได้เงยหน้าขึ้นดูกล่าวคาถาที่สี่ทูลตอบว่าพระโอรสของพระราชาเป็นใบ้เป็นง่อยเปรีย้ย <modern> เหมือนไม่มีพระมนต์พระราชาตรัสสังข้าพเจ้าว่าพ <c oughs> ึงฝังลูกเราเสียในป่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเป็นง่อยเปรีย้ยปักขโขได้แก่คนง่อยเปรีย้ยก็ด้วยคําว่าเป็นใบ้มูโคนั่นแหละ ก็หมายถึงแม้ความเป็นคนหนวกของเตมิยะกุมารเพราะคนหนวกไม่สามารถกล่าวตอบได้คำว่าไม่มีพระมนต์อเจตะโสความว่าเหมือนไม่มีจิตใจนายสารธีกล่าวอย่างนี้เพราะเตมิยะกุมารไม่พูดถึง16ปีคำว่าตรัสสัง่งสมิชิโถได้แก่พระราชามีรับสั่งส่งไปแล้ว คำว่าฝังในป่านิขนังวเนได้แก่พึงฝังเสียในป่าลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวกับนายสารธีว่าแน่นายสารธีข้าพเจ้ามิได้เป็นคนหนวกมิได้เป็นคนใบ้มิได้เป็นคนง่อยเปรี้ยมิได้มีอินทรียกลวิการถ้าท่านฝังข้าพเจ้าในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เชิญท่านดูขาและแขนของข้าพเจ้าและเชิญฟังคำพาศิดของข้าพเจ้าถ้าท่านฟังข้าพเจ้าเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นคนหนวกพระิโรความว่าพระมหาสัตตรสอย่างนี้เพื่อแสดงว่าแน่นายสารีเพื่อนรักถ้าพระราชามีรับสั่งให้ฟังพระโอรสนี้อย่างนั้น แต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าวิกลวิการปังคุโลได้แก่มีอินซีวิกลวิการข้อว่าถ้าท่านฝังข้าพเจ้าในป่ามันเจตวังนิขนังวเนความว่าถ้าท่านฝังเราผู้เว้นจากความเป็นคนหนวกเป็นต้นเห็นปานนี้เสียในป่าท่านก็พึงทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เตมิยกุมารนั้นเห็นนายสารถีแม้ฟังคาถาแรกแล้วก็ไม่แลดูพระองค์เลยทรงดําริว่าเราจะแสดงแก่นายสารถีนี้ว่าเราไม่หนวกไม่ใบไม่ง่อยเปลี้ยตกแต่งสรีระแล้วจึงตรัสคาถานี้ว่าอูรูเป็นต้นคาถานั้นมีเนื้อความว่าเนี่นายสารถีเพื่อนรักท่านจงดูขาทั้งสองของเรา คือของข้าพเจ้าซึ่งเช่นกับลำต้นกล้วยทองคำและแขนทั้งสองของเราคือของข้าพเจ้าซึ่งมีบรรณะดังใบกล้วยทองคาและจงฟังคำอันไพเราะของเราแต่นั้นนายสารธีคิดว่านี่ใครหนอตั้งแต่มาก็สรรเสริญแต่ตนเท่านั้นเขาหยุดขุดหลุมเงยหน้าขึ้นดูได้เห็นรูปสมบัติของพระมหาสัตว์ เมื่อยังไม่รู้จักพระมหาสัตว์ว่าชายคนนี้เป็นมนุษย์หรือเทวดานอจึงกล่าวคาถานี้ว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะปุรินททะท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะสำแดงตนให้แจ้งและแสดงธรรมจึงตรัสคาถาว่า เราไม่ใช่เทวดามิใช่คนทันมิใช่เท้าสักกะปรินททะเราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสิกราชผู้ที่ท่านจะฆ่าเสียในหลุมเราเป็นโอรสของพระราชาผู้ที่ท่านพึ่งพระบา ร, รมีเลี้ยงชีพอยู่เสมอแน่นายสารทีถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่องเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุสร้ายมิตรเป็นคนชั่วพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าจักฆานิหันยสิได้แก่จะประหารพระมหาสัจแสดงว่า ท่านขุดหลุมด้วยหมายว่าจากฆ่าผู้ใดในหลุมนี้เราคือผู้นั้นแม้เมื่อพระมหาสัตรัตว่าเราเป็นพระราชโอรสนายสารถีนั้นก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเองแต่รู้ได้ด้วยมัทุระกถาของพระมหาสัตต น, นจึงได้ยืนฟังธรรมอยู่คําว่าผู้ประทุสร้ายมิตรมิตรตุพโภได้แก่คนฆ่ามิตร คือคนเบียดเบียนมิตรทั้งหลายคําว่าต้นไม้รุกขสะความว่าบุคคลหักรานรากลําต้นผลใบหรือหนอ่อของต้นไม้ที่มีร่มเงาอันตนได้ใช้สอยอยู่ย่อมเป็นผู้ฆ่ามิตรคือเบียดเบียนมิตรคําว่าเป็นคนชั่วปาปโกคือเป็นคนลามกก็จะป่วยกล่าวไปใยถึงผู้ที่ฆ่ามนุษย์ ด้วยคำว่าคนอาศัยร่มเงาชายูปะโคพระมหาสัตว์ตรัสว่าแน่นายสารถีท่านอาศัยพระราชาเลี้ยงชีพอยู่เหมือนคนเข้าไปสู่ร่มเงาของต้นไม้เพื่อต้องการจะใช้สอยฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์แม้ตรัสถึงอย่างนี้นายสารถีก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเอง